คนที่รู้จักหรือได้ยินชื่อเสียงของท่านตินธันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้จักท่านในฐา น, นะธรรมอาจารย์หรืออาจารย์ทางธรรมหรือว่าวิปัสสนาจารย์เพราะว่าท่านมีงานสอนงานบรรยายงานเขียนเกี่ยวธรรมะเยอะมากนะ แต่ที่จริงท่านยังเป็นอะไรหลายอย่างน ะ, ะเป็นกควิด้วยนะท่านเขียนบทกควิเป็นเล่มๆนี่หลายเล่มทีเดียวแต่เป็นบทกวิที่น้อมใจคนให้เข้าถึงธรรมเข้าใจศัจทธารมความจริงของชีวิตรวมทั้งให้เกิดเมตตากรุณ า, ากับผู้คนแลวท่านยังเป็นนักเขียนหลายแนวนะ เขียนนิยายก็มีเขียนบทละครก็มียังไม่นับนะเป็นศิลปินเป็นจิตรกรแต่ท่านถนัดนะเขียนตัวอักษรด้วยผู้กันใช้ผู้กันนี่เขียนตัวอักษรเป็นข้อความทางธรรมไม่ได้เขียนเป็นภาพนะแต่ก็ผลงานก็งดงาม ท่าเป็นนักวิชาการแต่ว่าที่สิ่งหนึ่งที่ส่วนส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยนะก็คือว่าท่านเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีบทบาทรณรงค์เพื่อสันติภาพด้วยโดยพาะช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามซึ่งยาวนานมากนะส0สปี ยุติไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วหลายคนเกิดมาไม่ทันนะไม่ทันสงครามเวียดนามท่านเดิมทีก็เป็นครูบาอาจารย์สอนหนังสือแต่ตอนหลังเห็นสงครามเกิดขึ้นผู้คนล้มตายกันมากมายท่านก็อยู่เฉยไม่ได้ ท่านก็เลยชวนลูกสิษย์ลูกหาแล้วก็เพื่อนพระ ด, ด้วยกันในการเรียกร้องให้ยุติสงครามซึ่งก็เป็นที่ไม่พอใจนะของต้องฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วท่านก็ไม่ได้เรียกร้องเฉยๆนะท่านก็ทำงานช่วยเหลือสงคราะผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนจากสงครามด้วยนะอันนี้ซึ่งเคยเล่าไปแล้ว ท่านก็เลยเป็นที่เพ่งเล็ง น, นะของทุกฝ่ายนะรวมทั้งรัฐบาลด้วยมีช่วงหนึ่งเนะี่ยประมาณ2องห่นหารเานี่ย 110, ท่านได้รับได้รับนิ ม, ม, ม, มนต์ให้ไปบรรยายวิชาพุทธศาสนานะที่หมหาวิทยาลัยคอนแนวอเมริกาท่านก็เลยตั้งใจว่าเนี่ย ช่วงที่ไปอเมริกาซึ่งกินเวลา3เดือนเนี่ยท่านก็จะถือโอกาสไปชี้แจงบอกเล่าให้คนอเมริกันได้รับรู้ว่าสงครามที่เกิดขึ้นในเวียดนามี่มันสร้างความทุกข์ยากกับผู้คนอย่างไรบ้างแล้วก็คนจำนวนมากเนี่ยก็ไม่ปรารถนาสงครามท่านอยากจะไปกระตุ้นให้คนในอเมริกานี่แหละนะ ช่วยกันเรียกร้องให้ยุติสงครามเวียดนามซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะกระแสการต่อต้านสงครามเวียด น, นามในหมู่คนอเมริกันก็ยังไม่เยอะนะมันเพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งก่อตัว้วท่านก็ไปเดินทางไปตามเมืองต่างๆไปพูดไปบรรยายเรียกว่า แทบทุกวันเลยต้องเดินทางตลอดเวลาพวกว่ารัฐบาลเวียดนามยังไม่พอใจมากนะในสุดก็เลยสั่งห้ามท่านเข้าประเทศเลยก็กลายเป็นว่าเนี่ยจากเดิมที่จะไปอยู่ต่างแดนเพียงแค่สามเดือนก็กลายเป็นว่าต้องอยู่ต่างแดนนี่ ยาวนานเป็นปีๆเลยนะรวมแล้วนี่ก็40ปีเลยกว่าจะเข้าประเทศเวียดนามได้ก็เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนี่วันนี้เป็นสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดนะคิดว่าบรรยายเสร็จแล้วก็ไปพูดเดินสาย ให้คนอเมริกันรู้ถึงโทษของสงครามเวียดนามแล้วท่านก็จะได้กลับไปร่วมทุกข์ร่วมสุขนะกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็เพื่อนพระด้วยกันรวมทั้งแม่ชีด้วยนะซึ่งตอนนั้นก็มีจํานวนมากมายนะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านเพราะว่าเข้าประเทศไม่ได้ก็กลายเป็นคนพัฒนที่นาขาที่อยู่ พาสปอร์ตนะก็ถูกยึดกลายเป็นคนไร้ประเทศนันฉันก็ใช้ใช้เวลาเนี่ยกับการเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อบอกเล่าถึงความทุกข์ของผู้คนนะ วันแล้ววันเล่าเนะเดือนแล้วเดือนเล่าเนะเป็นปีท่านบอกเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยไปพูดตามเมืองต่างๆเนี่ยได้ค้างคืนแค่วันคืนสองคืนเท่านั้นแหละแล้วก็ต้องย้ายไปไปที่อื่นต่อจนบางคืนเนี่ยตื่นขึ้นมานี่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่เมืองไหนนะแล้วก็อยู่ประเทศไหนด้วยซ้ำต้องตั้งสติสักพักนะ จึงรู้ว่าอ๋อนี่เรากลังอยู่ที่เมืองนี้ประเทศนี้เพราะาท่านเดินทางเยอะมากแต่รู้เป็นการเดินทางนอกประเทศในภาวะที่ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยท่านก็เล่าว่าเนี่ยช่วงช่วงนั้นเนี่ยท่านจะฝันบ่อยฝันถึงวัดที่ท่านได้ไปบวชเนรแล้วก็ได้รับ การเรียนรู้และการรับการฝึกฝนทางด้านพุทธศาสนาโดยเฉพาะทางด้านเซนนะท่านเป็นบบนะนักบวชนิกายเซนนะแบบเวียด น, นามฝันบ่อยมากนะมันเป็นความฝันที่เกิดจากความรู้สึกนึกถึงบ้านโหยหาชื่ได้กลับบ้านและฝันก็มักจะเป็นฝันเดิมๆเมนะี่ย วัดที่ท่านได้เติบโตมาตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็มักจะฝันในแง่ที่ว่าเนี่ยท่านกาลังเดินขึ้นเขาเพราะวัดเนี่ยเป็นวัดป่าอยู่บนเขาแวดล้อมด้วยต้นไม้แล้วก็ป่าที่ร่มรื่นมีความสุขมากนะั้นในฝันเนี่ยได้กลับไปวัดเดิมแล้วก็ขณะที่เดินขึ้นเขาพอเดินไปถึง ไปได้แค่กลางทางไม่ทันถึงวัดก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยพลัดทนาคาที่อยู่ตอนที่ท่านไปเรียนเมืองนอกเนี่ยนะท่านไเคยไปเรียนที่มาเลพิลสตันเนี่ไม่เคยมีความฝันแบบนี้เลยนะเพราะรู้ว่าจะได้กลับไปแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเมื่อไหรไ่คิดถึงบ้านฝัน นะว่าจะได้กลับวัดที่ตัวเองนะเคยศึกษาปฏิบัติมาแต่ก็ไม่เคยถึงสักทีนะในฝันตื่นซะก่อนท่านก็มีความทุกข์นะแต่ว่าต่อหลังท่านพบว่าเมื่อท่านได้เรียนรู้นะที่จะเจริญสติแล้วก็ได้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน น้อมใจมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ท่านก็ได้พบว่านเนี่ยนี่คือบ้านที่แท้จริงพลังสติเนี่ยที่พาท่านกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยมันทำให้ท่านได้พบบ้านที่แท้จริงไม่ว่าท่านอยู่เมืองไหนประเทศไหนแม้จะ พูดคนละภาษากับท่านแม้คนจะผิวคนละสีกับท่านแต่ท่านไม่รู้สึกเหมือนกับว่าได้ห่างไกลจากบ้านอีกเลยนะาบว่านับแต่นั้นมานเนี่ยความความทุกข์ความเหงาเนี่ยมันสูญสลายหายไปแล้วก็ไม่เคยฝันอย่างนั้นอีกเลยนะความฝันนะที่ เคได้กลับไปเวียดนามกลับไปอยู่วัดที่ตัวองได้ฝึกฝนมาตั้งเล็กนีดความฝันทนั้นมันไม่เยือนไม่กลับมาอีกเลยท่านก็พบว่าเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้ทราว่าเราได้รู้จัก อยู่กับปัจจุบันท่านเคยพูดวันเนี่ยเมื่อใก็ตามที่เรากลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยพลังแห่งสติแล้วเนี่ยเราก็จะพบบ้านที่แท้ของเราในปัจจุบันขณะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะ เพราะว่าพอท่านได้พบบ้านที่แท้แล้วเนี่ยนะในความรู้สึกเหงาความรู้สึกว่าเวความรู้สึกโหยหาอาไรบ้านมันไม่มีมารบ ก, กวนท่านอีกเลยพอท่านเดิทนท่านได้พบความจริงว่าเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย ต่างหาที่มันเป็นบ้านที่แท้จริงบ้านที่แท้จริงคือปัจจุบันขณะไม่ใช่ไม่ใช่เมืองไม่ใช่ประเทศไม่ใช่สถานที่คนเราเนี่ยเวลาไปอยู่ไกลก็โหยหาโหยหาบ้านแต่พอได้กลับไปอยู่บ้าน ก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างเหมือนกับหลายค น, นเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยจำเป็นต้องเก็บตัวหรือกักตัวที่บ้านและหลายคนจะรู้สึกทรมานมากเพราะลึกๆเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้อยู่บ้านที่แท้จริงเลย ใอ้บ้านที่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านสำหรับกายมันก่อด้วยอิฐนะสร้างโดยปูนแต่ว่าจิตใจเนี่ยนะกลับไม่สามารถจะเข้าถึงบ้านที่แท้จริงได้จิตใจก็เหมือนกับคนเร่ร่อนนะระหกระหิน หรือว่าไร้บ้านเป็นอย่างนี้กันเยอะทีเดียวผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจมีความทุกข์ทั้งที่ตัวอยู่บ้านแล้วก็กินอิ่มนอนอุ่นอยู่สบายมีคนรักอยู่รอบตัวแต่ก็ยังรู้สึกเหงารู้สึกเครนคงค้วงยังรู้สึก ขาดอะไรบางอย่างไปอันนั้นพราะเขาไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันใจเขาเนี่ยไปจมอยู่กับอดีตอาจจะเกิดความรู้สึกอะไรในความสุขที่เคยมีจากการได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงได้ไปเที่ยวห้างก็เลยทนไม่ได้กับการที่ต้องอยู่บ้าน ณเวลานี้หรือไม่ฉะนั้นใจก็ไปมัวแต่วิตกกังวลกับความไม่แน่นอยในะอนาคตไปสร้างภาพปรุงแต่งว่าจะตกงานหรือว่าชีวิตอาจจะย่ำแย่ก็เราจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีนะเมื่อใจเนี่ยมันไปอยู่กับอดีต หรือว่าลอยไปอยู่กับอนาคตแต่ถ้าพนเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสึกตัวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะได้พบกับบ้านที่แท้จริงไม่ใช่บ้านของกายแต่เป็นบ้านของใจถ้าเรามีความสึกตัวนี้เป็นเครื่องอยู่นะ จ, จิตใจมันก็รู้สึกอบอุ่นนะ จ, จิตใจรู้สึกเบิกบานนะ จ, จิตใจรู้สึกสงบโปร่งโล่งไอ้ความรู้สึกที่ว่านี่นะมันทำให้ไม่คิด ท, ที่จะสแสวงหาอะไรนะไม่เรียกร้องอะไรมันเกิดความรู้สึกพอใจและด้วยเหนนะุหนจึง รู้สึกว่าได้อยู่บ้านแล้วเพราะบ้านเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันคือความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกที่เบิกบานผ่องใสต่อเมื่อเราเนี่ยรู้จักอยู่กับปัจจุบันพ่าใจกลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้เนี่ย หรือว่าผาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนั่แหละนะเราจึงจะได้พวกความสึกตัวและถ้าเรารู้จักนะเอาความสึกตัวเป็นเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมเนี่ยเราก็ได้เข้าถึงบ้านที่แท้จริงแล้วอย่างที่ท่านนัทฮันบอกเนี่ยว่าเนี่ยคนเราเนี่ย ถ้าว่ารู้จักพาใจกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยกำลังเหลืออนุภาพของสติเราก็จะมาจะสามารถจะพบกับบ้านที่แท้จริงในปัจจุบันขณะได้ไม่ยากไอ้การที่คนเราจะมีความสึกตัวเป็นวิหารธรรมหรือเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยสตินะอาศัยสติเพราะสติ เป็นเหมือนตาไนนะที่ทำให้เห็นความคิดและอารมณ์ที่อาจจะชักนำจิตใจให้ไปจมอยู่ความทุกข์แล้วจะทำให้เรารู้ทันเวลาใจเนี่ยมันหลายไปอดีตมันลอยไปอนาคตมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ แนสติก็ยังทำให้เรารู้จักพาใจกับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ไม่เนี่ยอาจจะพาใจมาอยู่กับปัจจุบันเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นบ้านยอมรับปัจจุบันขณะว่าเป็นบ้านเนี่ยได้ยากแต่ว่า เราก็สามารถจะเริ่มต้นได้นะด้วยการเอากายนี่แหละนะเป็นบ้านของใจนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้ใจเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวกายทำอะไรใจก็รับรู้ตัวอยู่ไหนนะใจก็อยู่นั่นนะวิธีที่ใช้กัน นิยมใช้ก็คือใช้ลมหายใจนะพาใจกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจนี้เป็นบ้านของใจมันก็ทำให้กลับมาเกิดความสุดตัวได้แต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นที่เราสามารถจะเอามาเป็นบ้านของใจได้นั่นคือ อิริยาบถหรือว่าการทากิจต่างๆเวลาเร <นะ S 1> าทำกิจต่างๆเนี่ยด้วยกายด้วยมือด้วยแข น, นถ้าเรารู้จักนะเอาใจมาอยู่กับกายกายทำอะไรใจก็รู้อันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้ใจเนี่ยเริ่มมีบ้านละ บ้านที่ว่านี่คือกายจะก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยบ้านมันจะกลายเป็นคุกของใจโดยเพราะเวลาเราบังคับใจบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบังคับจิตให้แน่นนันอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้ไปเพ่งที่เท้าที่มือบังคับไม่ให้ไปไหนเลยอย่างนี้เนี่ย กายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ้านของใจแล้วมันจะกลายเป็นคุกของใจและพอใจมารู้ว่าอยู่ในคุกนะมันก็อยากจะออกอยากจะออกท่าเดียวเลยอยากจะหนีอยากจะหนีจากกายเพราะนั่นก็จะหาเรื่องคิดฟุง้งปรุงแต่งสารพัดไอ้คนที่พยิายามังคับจิตให้อยู่กับกายเนี่ยจะพบว่ามันมีความฟุง้งมันมีความปรุงมากในตะัวทั้งกายเป็นเครียด บางทีความเครียดไม่ได้เกิดจากการฟุ้งอย่างเดียวนะจะเกิดจากการที่ไปบังคับจิตและพอจิตมันไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนามันไม่ยอมอยู่กับกายนะก็เลยไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดแต่ถ้าเราจะให้กายนี่เป็นบ้านของใจแท้จริงเต้องก็ต้องอนุญาตนะให้ใจเนี่ยมันออกจากบ้านไปที่นั่นที่นี่ได้ แต่ว่าก็รู้จักชวนรู้จักเชิญให้เขากลับมาจะออกจะไปก็ได้นะแต่ว่าเราก็ทำนาทีเรียกเขากลับมาถ้าใจนี้กลับมาอยู่กายบ่อยๆกลับมาอยู่กายอย่างต่อนเนื่องเนี่ยจะพบว่าความสงบก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากแล้วพอรู้จักนะทำกายให้เป็นบ้านของใจเนะี่ยต่อไป การทำปัจจุบันให้เป็นบ้านของใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าสติของเราเนี่ยมันจะเริ่มมีกาลังมีความรวดเร็วมีความปราดเปรียวช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์อกุศลครอบงำและช่วยพาใจให้ได้พบนบกับความสงบกับความโปร่งเบาถ้าคนเราจะดูแลใจได้ดีมันต้องดูแลด้วยการมีสติ แล้พอเราพอใจมีสติแล้วเนี่ยนะสติก็จะนําพาใจให้ได้พบกับความสงบเย็นรวมทั้งได้มาสัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วพอใจได้สัมสบัติความรู้สึกตัวเนี่จะรู้เลยนะว่ามันก็มีเฉพาะตรงนี้และเดี๋ยวนี้เท่านั้นแหละที่เราจะพบสัมผัสกับความรู้สึกตัว แล้วจะเกิดความรู้สึกพอไม่ไดิ้นรนแสงหาและสุดท้ายความสุขตัวที่อย่างลึกที่ต่อเนื่องยาวที่ต่อเนื่องมันก็ช่วยทำให้ใจนี่ยางลึกนะไปถึงความสงบที่ลึกซึ้งมากขึ้นรวมทั้งปัญญาที่มันมีอยู่แล้วในใจของเรามันทำให้ใจเนี่ยได้เข้าถึงภาวะที่เรียกว่าประพัดสอนผุดพอง อย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตนั้นประพัดสอนนะแต่ว่าที่เศร้ามองเพราะว่ามีกิเลสจรนเข้ามาแต่ถ้ามีสตินะแม้กิเลสจะจรนเข้ามามันก็ไม่สามารถจะบทบังจิตหรือว่าพาใจออกจากวิหารธรรมคือความสุขตัวึัเป็นเครื่องอยู่ได้ เพราะสติเนี่ยจะรักษาใจเอาไวนะ้ให้อยู่กับบ้านที่แท้จริงอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงําแต่การที่สติรักษาใจเนี่ยไม่ให้อารมณ์ครอบงาเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไปผักใสไล่ส่งนะอารมณ์เหล่านั้นหรือความที่เป็นอกุศลตรงข้ามเลยนะเมืมอม่อมื่อเมื่อมืสติรักษาใจเนี่ย แม้ว่าสติทำหน้าที่เหมือนกับยามที่รักษาบ้านหรือว่ายามที่รักษามเมืองเนี่ยแต่ว่าเมื่อมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาก็ไม่ได้ขับไล่สาส่งแต่ที่จริงเนี่ยกลับแค่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่า มีอาคารตุกกะเข้ามาในบ้านนะก็ไม่ได้ผักสายไล่ส่งน้อมรับแต่น้อมรับโดยที่ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำหรือกดขี่บีธาจิตใจนะเพียงแค่ดูอยู่ห่างรับรู้อย่างที่เป็นแค่นี้มันก็มีพลังมากพอนะที่ทำให้อารมณ์เหล่านั้ น, นมัน เลือนหายไปหรือเป็นอคติันตุกา ร, ท, กการที่จอนเข้ามาแล้วก็ไปไปของเขาเอ ง, า ง, าางาอานตินาธานไ้เคือุปมาว่าเนี่ยให้โอบกอดนะอารมณ์เหล่านี้เช่นความกลัวเมื่อโอบกอดนะโดยความรู้สึกที่ไม่ใช่เป็นปฏิปัก ไอ้ความโกรธมันก็จะแปลสภาพไปอย่างที่หลวงพ่อคำเกียวต้องใช้เขาว่าเนี่ยเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้ไงนะเปลี่ยนได้ด้วยการที่มีสติเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนได้ด้วยการที่เพียงแต่รู้เฉยๆดูห่างๆนะไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามเรกปฏิบัติเนี่ยหลายคนเนี่ยนะเวลามันมีอารมณ์พุที่เกิดขึ้นเนี่ย เห็นความโกรธความหงยบหรือความหรือความคิดฟุ้งซ่านเนี่ย <c oughs> ก็จะบวมวายตื่โพยายโอ๊ยทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้ทำไมมันมันมีความคิดมากมายแบบนี้ทำไมมันมีความโกรธ น, นะแต่อย่างที่หลวงพ่อทงเขีท่านบอกดนะถ้าเราจิรสติเป็นเนี่ยมันจะไม่โอยนะมันจะอืม มันจะรู้สึกอืมอืมนี่คือว่าดูอยู่ห่างๆดูอย่างสงบเข้ามาเขาก็เป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเองอันที่เป็นวิธีการจัดการกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือว่าความทุกข์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดการกับอารมณ์ที่เป็นทุกข์เหล่านี้ได้อย่างฉลาดด้วยสติการที่ เราจะพบความสงบและความสงบนั้นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกนะถึงการที่ได้นะอยู่บ้านที่แท้จริงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นั่นที่ท่านติณธรรมเดได้พูดนะว่าเนี่ยในยามที่เราพระทินาคาที่อยู่เพียงแค่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับตรงนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะ พบบ้านที่แท้จริงได้ทั้งคนเราเนี่ยนั่นต้องรู้จักหาบ้านที่แท้จริงให้กับใจนะพรเหมือ น, นใจของเรามันก็จะกลายเหมือนกับผู้พลัดถิ่นทั้งที่อยู่บ้านของตัวเองแท้ๆแต่นั่นก็ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงจะนั้งที่อยู่แวดล้อมด้วยคนที่เราคุ้นเคยแต่มันก็ยังรู้สึกเหงารู้สึก เคร่งควางรู้สึกว่างเปล่าหรือว้าเวนั่นเพราะว่าเราไม่มีเครื่องอยู่ที่แท้จริงงั้นกลับมาอยู่กับความสึกตัวให้ความสึกตัวเป็นเครื่องอยู่โดยอาศัยสติเนี่ยเป็นเครื่องรักษาอันนี้ไม่ทำให้เราได้พบกับภาวะที่มันอบอุ่นแล้วก็เกิดความเต็มอิ่มพอใจอย่างแท้จริง เขาเนี่พูดตรงนี้นะ